กรรมนวัส ก, การท่านพระอาจารย์พระครูบ ว, วรเวโรวงศ์พระอาจารย์คันชิตอากินจนโนที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช 2,562 เป็นวันสุดท้ายของการเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรกลับมารู้สึกตัวโดยท่านพระอาจารย์ขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ได้ให้อวาดในการปิดการอบรม แนะนำหลักธรรมคำสอนเพื่อให้โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านน้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่เวลาขอกับาวพระนาท่านพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, จะเจริญพรทุกทุกท่านจะนั่งตามสบายการการปฏิบัติ เรื่อการเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนเนี่ยพระอาจารย์พยายามสอนให้พวกเรามองในความเป็นองค์รวมเรื่องของธรรมะมันไม่ใช่เรื่อ ง, องการเรียนเป็นเรื่องๆนะปัญหาหนึ่งที่พระอาจารย์เจอกับผู้ปฏิบัติผู้เรียนธรรมะก็คือไปไปเรียนทีละเรื่อง เรียนทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็ไม่สามารถโยงเรื่องเหล่านั้นให้สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าโยงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรตรงนั้นแหละที่ทำให้กำลังของการกำลังคือพร ะ, ะเนี่ยในการที่จะเข้าถึงธรรมและการการเข้าถึงเรื่องการดับทุกเนี่ยมันจึงอ่อนไปเพราะว่าเราเป็นการไปเรียนแบบ ทีละชิ้นอะทีละชิ้นแล้วประกอบจิ๊กซอว์ไม่เป็นมันก็เห็นจิ๊กซอว์คนคนละมุมคนละชิ้นคนละชิ้นไปเรื่อยทีละชิ้นทีละชิ้นแต่มองไม่ออกว่าภาพรวมมันคืออะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่พระอาจารย์หยิบเรื่องอายตนะเรื่องขันห้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้มาเป็นเรื่องเดียวกันออกมาเป็นเรื่องอีเขียวเนี่ย เ <c oughs> ข้าใจไหมอันนี้คืออาจารย์ต้องการให้คุณเห็นเส้นทางทั้งหมด <c oughs> เส้นทางทั้งหมดของกระบวนการที่มันจะทําให้เราเป็นทุกข์และเราจะดับทุกข์มันอย่างไรเริ่มจากอายตนะมันเป็นสิ่งที่ต้องกระทบกันอยู่แล้วระหว่างอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัทธมารมกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่ต้องกระทบกันอยู่แล้ว อันนี้เป็นดา่านแรกของชีวิตคุณจะลืมตาหรือไม่ลืมตากายมันก็กระทบหูมันก็ได้ยินเสียงใช่หรือไม่ต่อให้คุณหลับไปทั้งหมดมันก็ยังเกิดอาการคิดอยู่ในใจถูกไหมเพราะมันเป็นกลไกที่ทำงานของมันอยู่แล้วปัญหาก็คือเราเวลาเราเรียนเรื่องอายจตนะเราก็เรียนอายจตนะภายนอกรูปเรก็ว่าไปเสียงนี่ว่าไป ตาหูจมูกมันกระทบกันว่ากันไปแล้วไงอ่ะหล้กการจำคุรว่าเกิดเวทนาจากการสัมผัสเกิดนั่นเกิดนี้มันมีน่ะยาวขี้เกียจพูดมันก็ยาวนั่นแหละมันก็เป็นทฤษฎีทีนี้ถ้าเรามาลองเรียนแบบภาคการปฏิบัติเนียเมื่อตามันกระทบเมื่อรูปมันกระทบตาปั๊บมันไม่ได้จบลงแค่นั้นใช่ไหมถ้าเรามาดักดูเห็นว่า พอมันกระทบปุ๊บมันเกิดความคิดขึ้นในใจเรานะเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นเนีะ่ะพอเราไปสังเกต ด, ดูถึงได้รู้ว่าความคิดขั้นต้นมันก็คือสัญญาเข้ามาทำงานเสร็จแล้วสังขารแล้วก็ปรุงต่อก็เกิดเป็นนามรูปเป็นสลายญาณะและอยู่ในใจทั้งหมดจึงกลายเป็นมโนผัสสะแล้วเริ่เกิดความรู้สึกบางอย่างกับไอ้นามรูปที่มันเกิดขึ้นนั้น จึงเป็นเวทนาพักดันสู่ตัณหาอุปาทานแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นในใจเราเนี่ยอ้าวพอเราเรียนอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นสายมาตลอดมองเห็นเป็นองค์รวมเลยใช่ไหมไอ้ที่เราเรียนมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นจิกซอทีละชิ้นจิกซอแต่เอามาต่อไม่เป็นพออาจารย์ยกตัวนาฬิกาไม่ต้องยืมเพื่อน อาจจะอายตนะกระทบกันอยู่แล้วก็เกิดเป็นปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วเห็นนะมันเกิดกระบวนการทั้งสายอ่ะใช่หรือเปล่าเรารู้สึกไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมแล้วชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเมื่อชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนั้นการเรียนรู้ธรรมะเพื่อการดับทุกข์ในชีวิตจริงมันก็ต้องเรียนอย่างนั้น เข้าใจไหมมันต้องเรียนอิงกับชีวิตที่เป็นอยูเอ่เราไม่ได้เรียนไปสอบอะ่ะคุณเข้าใจไหมเราไม่ได้เรียนไปสอบอะ่ะคุณเรียนเป็นเรื่องจิกจ๊กจิ๊กซอแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวคุณทําข้อสอบได้ในแต่ละตัวจริงอะ่ะแต่แต่คุณกลับเอามันมาต่อเป็นภาพรวมไม่ได้นั่นมันเป็นเพราะอะไรเพาราะเราไม่ได้เรียนเพื่อเอามาใช้แต่นั้นมันไปเรียนเพื่อเอาความรู้ และเป็นความรู้แค่จำไม่ได้นำไปสู่การประจักษ์แจ้งเหมือนกันเวลาเราพูดถึงอริยมรรคมีองแปดบนเส้นทางของการดำเนินเพื่อความไม่ทุกข์เราก็ไปเรียนกันทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีละข้อแต่ถ้าลองเรียนเป็นองค์รวมสิจับหลักเข้ามาง่ายๆว่าคือมีสติไว้ แล้วเมื่อมีสติปุ๊บความตั้งใจในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์เนี่ยให้มันเป็นตัวนําในใจเราจริงๆรงพอเราตั้งเป้าตรงนี้ปุ๊บมันเป็นสัมมาทิฏฐิทันทีเห็นไหมถ้าคุณตั้งใจปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์มันคือสัมมาทิฏฐิทันทีแต่ถ้าคุณตั้งใจปฏิบัติแล้วไม่ได้ต้องการเพื่อจะเรียนรู้เรื <S <s ่องการด <s> ับทุกข์แต่ต้องการได้นู่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่ คุณก็ได้ตามนั้นแะแต่มันไม่ใช่สมาทิฏฐิในทางพุทธศาสนาคุณบอกว่าคุณปฏิบัติคุณอยากเรียนนรกเรียนสวรรค์คุณก็ได้นรกได้สวรรค์แต่มันไม่ใช่สมาธิฏฐิคุณบอกคุณปฏิบัติคุณอยากได้ความสงบคุณอยากได้ฌานสมาบัติคุณก็ได้ความสงบได้ฌานสมาบัติคุณอยากได้คณิกาสมาธิคุณอยากได้อุปจารสมาธิคุณได้แอบบานาสมาธิคุณก็ได้ตามนั้นแต่มันไม่ได้สมาธิฏฐิ ถ้าคุณตั้งใจปฏิบัติแล้วตั้งใจไว้เลยว่าการปฏิบัติของฉันเนี่ยเป็นไปเพื่อจะเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์เท่านั้นแหละมันเริ่มต้นในสัมมาทิฏฐิเลยแล้วมาดูสิว่าแล้วไงต่อไปอะ่ะในข้อที่สองสัมมาสังกัปปะคือรู้ทันความคิดอะ่ะในสัมมาสังกัปปะอบอกว่าความคิดที่ถูกต้องไอ้ i, ความคิดที่ถูกต้องอะ่ะคนเราจะทําความคิดให้มันถูกต้องได้ มันต้องรู้ทันความคิดไหมต้องรู้ทันไหมเพราะหลักการแห่งการเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดของหลวงปู่เทียนจึงทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะโดยอัตโนมัติขึ้นทันทีเลยเพราะมันทำให้รู้ทันความคิดพอรู้ทันความคิดปุ๊บใจมันคิดจะเบียดเบียนปุ๊บเรารู้ทันปุ๊บมันดับลงทันทีเราไม่ไปกับมันมิจฉาเขาดับสัมมาเขาปรากฏใจมันคิดจะมุ่งร้าย เรารู้ทันปุ๊บเราไม่ทําตามมานันปั๊บมันดับลงตรงนั้นมิจฉากขาดับลงสัมมาก็ปรากฏใจมันคิดจะไหลไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์เราเห็นอาการนั้นปั๊บเรากลับมารู้สึกตัวปุ๊บเนคข ม, มัสสังกปะก็เกิดขึ้นได้ทันทีเห็นไหมพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บอ๋อนี่มันเราคุมจิตเราตั้งแต่การรู้ทันความคิดเนี่ยเราคุมจิตลราละเรียกว่าสังกปะมันถูกต้องละพอไปดูข้อที่สามคุณจะเห็นชัดเลยอ่ะสัมมาวาจา คนเราจะพูดจาไม่ดีมันเริ่มจากคิดทั้งนั้นะคนเราจะพูดจาดีเริ่มจากคิดพอมันคุมความคิดได้ปั๊บมิจฉาวาจาจะออกไห ม, มเห็นไหมสัมมาวาจาก็จะเกิดขึ้นเองเพอไปดูกรรมมันตะการกระทําทางกายมันจะออกจากไหนก็ออกจากใจที่มันคิดพอคุมใจคิดได้ปุ๊บก็จบมิจฉากรมมันตะก็เกิดขึ้นไม่ได้มิจฉาอาชีวะก็เกิดขึ้นไม่ได้ เมืมันรู้ทานว่าการเลี้ยงชีพตัวเองนั้นไปเบียดเบียนหรือไม่คงไร้ายไข่หรือไม่ใช่หรือว่าเมื่รู้ทันพวกมันคุมปั๊บเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงกล้าบอกคุณเน่ยว่าแม้แต่การทําอริยมรรคในองค์แปดการดาเนินบนชีวิตการดําเนินชีวิตบนอริยมรรคยังต้องใช้การมองแบบองค์รวมใช้ความรู้สึกตัวเป็นตัวตั้งใช้ภาวะแห่งการรู้เห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิดเป็นฐานจากนั้นมันจะทำให้สามารถดำเนินอริยมรรคไปได้ทันทีเลยจังนี้จึงเรียกว่าการทำมรรคให้มันสามัคคีเป็นมรรคสามังคีมันถึงจะมีกำลังในการที่จะพาไปสู่การพ้นทุกข์มันต้องหลอมรวมมรรคให้เป็นหนึ่งเดียวมันไม่ใช่เอามรรคมาทีละอันทีละอันทามรรคทีละข้อเคยเห็นไหม จำได้ว่าประมาณปสามมีเรื่องหนึ่งพ่อสอนลูกเอาไ ม, มา้มาให้ลูกหักคนละกิ่งใช่ไหมลูกหักได้ไหมหักได้แต่พอบอกให้ลูกมารวมกันหักได้ไหมนั่นไงใช่ไหมอยู่ปสามใช่ไหมบทเรียนนี้คิดว่านะพอจะจำได้อยู่ แม้แต่บัตรนั้นพระยาพิเพกยักษียอยู่ชั้นป .3 จำได้อยู่นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้อริยมรรคในการดำเนินชีวิตมันจึงไม่ใช่การคิดทำทีละข้อทีละข้ อ, ขอวันนี้ฉันจะพยายามให้เป็นสัมมาวายามะวันนี้ฉันจะเปสัมมาคัมมันตะไม่ใช่มันมีความรู้สึกตัวปุ๊บ มันทำให้มักทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปรียบคำสอนของพระองค์ว่าเป็นดั่งล้อเกวียนทำไมสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาจะเป็นดั่งล้อเกวียนซี่ซี่ล้อเกวียนทั้งหมดก็คือมักทีละข้อมักแต่ละข้อ แต่คุณสังเกตไหมมันถูกร้อยด้วยวงล้อใช่หรือไม่ถ้าไม่มีวงล้อมาตัวร้อยล้อมันจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามีแต่วงล้อแล้วไม่มีซี่ล้อจะแข็งแรงไหมไม่ได้ที่สำคัญที่สุดตัวที่ทำให้วงล้อทั้งหมดมันแข็งแรงที่สุดคือดุมล้อ ดุมล้อที่อยู่ตรงกลางอะ่ะที่เป็นจุดรวมของซี่ทั้งหมดเห็นไหมดุมเล็กไม่ได้ดุมใหญ่อะไรเลยอะ่ะล้อเบ ล, เบ ล, เ, บลเบล่าจะมีดุมแค่เนี้ยแต่เชื่อไหมว่าไอ้ดุมแค่เนี้ยที่มันรวมมาทั้งหมดมาไว้ด้วยกันได้เนี่ยมันกลับสามารถเป็นตัวที่สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดแล้วผลักดันให้เกิดการหมุนไปได้เข้าใจไหทนีนี้นั่นหมายถึงว่าซี่ทุกซี่เป็น มักในแต่ละข้อก็จริงแต่มันถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันแล้วรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวด้วยดุมล้อเนี่ยรวมรวมมักทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวเข้าใจไหมคิดภาพออกไว้นี่ อ, อคิดออกเนาะ <c oughs> ไม่แต่ล้อมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ไม่แต่ล้อจักรยานไม่แต่อะไรก็ตามแต่สิ่เล็กๆเลกๆเล็กๆถ้าไม่มีลองลองใ้ดุมล้อออกนะมันก็ไปไม่ได้ มันก็เป็นล้ออยู่ไม่ได้มันก็ไม่สามารถไปได้เพราะตัวขับเคลื่อนมันอยู่ที่ตัวนี้ตัวที่ทำให้ความแข็งแรงทั้งหมดรวมพลังกันอยู่ที่ตรงนี้เพราะนั้นมัดทั้งหมดต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวถ้าสุดท้ายเนี่ยกลางลุมล้อมันคืออะไรกลางลุมล้อมันคือศูนยะตา ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนใดๆเห็นไหมกลางดุมล้อเป็นลุมโบคิดดูรวมทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวยพอสุดท้ายแล้วมันคือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนใดๆทั้งนั้นนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมจึง จึงเอาล้อเวียนมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาทำไมจึงเรียกว่าบัตรนี้ทำอันเป็นดั่งจักรได้หมุนไปแล้วเนี่ยอันหมายความว่าตัวคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทุกคำสอนนั้นมันจะร้อยเลียงร้อยเลียงไปด้วยกันเพื่อให้ก่อเกิดเป็นกําลังในการที่จะเข้าไป เพื่อการดับทุกข์เพราะฉะนั้ไมอาจารย์ถึงพยายามไม่อธิบายเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องถ้าอาจารย์อธิบายทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องว่ามีเรื่องอธิบายเยอะมากเลยห้าวันนี้บรรยายริยมรักมวย อ, องแปดวันละข้อจบแล้วมีเรื่องคุยได้ห้าวันเน่แค่นีน้แล้วไงอะ่ะอธิบายปฏิจจสมบาทวันละช่องก็ยังได้แล้วไงอะ่ะ อธิบายไปห้าวันจบสิบสองช่องอธิบายขันห้าห้าวันวันละข้ออธิบายอริยมรรคปยองแปดห้าวันวันละสองข้อจบไปได้ความรู้เต็มเปี่ยมจดขมเพียบอยู่ในสมุดแล้วไงอ่ะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แต่พออาจารย์ขึ้นบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยดูองค์รวมมันมา ง, งี้นะมันเป็นอย่างงี้งกระบวนการเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนบอกอ่า เออใช่เออใช่ใช่นี่คือการทําให้มันเป็นสันติโกคือมันพิสูจน์ได้ทันทีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวคุณและมันจะเป็นที่คุณเข้าใจเพราะมันโอบานยิโกเขาเ้ามาในตัวคุณเองว่าสังเกตุโดยไหมพระอาจารย์จะถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับเราไหมเคยสังเกตุไวมว่าชีวิตเราก็เจอแบบนี้แหละในชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหม ทำไมอาจารย์พยายามถามต่อเว่าเห็นไหมว่ามันมีอยู่ในชีวิตเราเห็นไหมว่ามันมีอยู่ในชีวิตเราเพราะพระอาจารย์ต้องการยืนยันให้พวกเราเข้าใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ไกลไปจากกายกับจิตเข้าใจยังไงเนะี่ยไม่ได้ห่างไปออกจากกายกับใจซึ่งกายกับใจมันคือองค์ประกอบชีวิตของเรามนุษย์ทุกรูปทุกนามมีกายกับใจเหมือนกันหมด เพราะฉะน้นคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เป็นคำสอนที่ให้เราฝากใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากใจไว้กับพระองค์แต่พระองค์สอนให้เราหันกลับมาดูตัวเรามาสังเกตตัวเราอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นรู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ทำให้เราพ้นทุกแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราหันมาดูตัวเราเพื่อที่จะพ้นทุก หันมาดูเพื่อรู้เรื่องตัวเราเพื่อทำให้เราพ้นทุกข์นี่คือคาพูดของหลวงปู่เทียนหลปู่เทียนพูดคานี้นะรู้เรื่องพระพุทธเจ้าเ็าไปททำให้เราพ้นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรากลับมาหันมาดูตัวเราและรู้เรื่องเราเพื่อพลนทุกข์นะเป็นสิ่งที่พระอาจารย์แบบโอ้ยวาทะของหลวงปู่ช่างลํำเลิด มันเหมือนกับอะไรพูดอย่างนี้ได้ไงรู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ทำไม่ทําให้เราพ้นทุกตกลงไม่เอาพระพุทธเจ้าใช่ไหมยยิ่งกว่าเองผูดคิดดีถ้าได้ยินคําว่ารู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ทําให้เราพ้นทุกแต่พระเจ้าสอนให้เราหันมาดูตัวเราเพื่อรู้เรื่องเราเพื่อให้เราพ้นทุกเนี่ยถ้าใครบางคนเนี่ยมองว่าหลวงปู่เทียนไม่นับถือพระพุทธเจ้าเหรอ ถึงบอกรู้เรื่องพระเจ้าก็ไม่ทำพ้นทุกเนี่ยแปลว่าอยากรู้เรื่องพระพุทธเจ้าใช่ไหมแปลว่าที่เองผูดเนี่ยเองยังไม่เข้าใจเองยังมองพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษอยู่เองยังไม่เข้าใจความเป็นพุทธะยังไม่เข้าถึงธรรมยังเอาแค่ศรัทธาและงมงายด้วย แต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพทธเทียนพูดจะเห็นว่าหลวงพเทยีทยนพเทียนพูดพูดบนความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นการศรัทธาที่ไม่ใช่งมงายที่ไม่ยกพระพุทธเจ้าเป็นเทพเจ้าไม่ได้ยกพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์วิเศษแต่พูดถึงพระพุทธเจ้าในฐานะมนุษย์ผู้มีผู้มีปัญญา ที่จะหันกลับมาดูตัวเองได้จริงๆแล้วพาตัวเองพ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วพระองค์ยังยืนยันว่าเราทุกคนเป็นดั่งพระองค์ได้เนี่ยนี่คือการมองพระพุทเจ้าบนความศรัทธาที่ไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนแต่เป็นการมองพระพุทเจ้าผ่านความเป็นจริงไม่ใช่งมงายเข้าใจหไหม ผ่านความเป็นจริงไม่ใช่งมงายผ่านความเป็นจริงที่พระองค์เป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่สามารถพ้นทุกข์ได้ด้วยกำลังความสามารถของตนเป็นอิสระจากทุกสรรพสิ่งได้ทั้งรูปธรรมและนมามธรรมทั้งหลายทั้งปวงพวกเป็นอิสระจากมันจึงเรียกว่าปรินิพพานดับเย็นโดยรอบแล้วไม่เหลือ เกาะเกี่ยวใดๆทั้งรูปทั้งนามเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะบางทีคำพูดอหลวงปู่เทียนเนี่ยบางทีคำพูดหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยนะท่านพูดลงมาเนี่ยท่านพูดตรงๆนะแต่คนแบบว่าก็มักจะบอกอย่างหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าตัวธรรมชาติเนี่ยมันสอนเราได้ดีกว่าพระพุทธเจ้ายเงี้ย คนบอกคุณพ่อทํำไมพูดอย่างนั้นข้อพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือธรรมชาติตัวธรรมเข้าใจไหมแต่พระพุทธเจ้าในความหมายของคนทุกคนคืออะไรคําสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกคนพูดถึงคืออะไรคือคำพีรพระไตรปิฎกทุกคนพูดถึงคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอยู่ไหนสอนในพระไตรปิฎก และทุกคนก็มั่นใจเรื่องพระไตรปิฎกเชื่อมั่นในพระไตรปิฎกว่านี่คําสอนพระเจ้าแต่กลับไม่เคยหันมามองธรรมชาติที่มันกําลังบอกเราอยู่และสิ่งที่สอนในพระไตรปิฎกก็คือสิ่งพระเจ้าพยายามยืนยันให้เราหันกลับมาดูธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่กายที่ใจนี่แหละมันจึงเป็นตัวประสบการณ์ตรงที่สอนให้เราเข้าใจเรา เข้าใจไหมเราจะทุกข์ก็เพราะธรรมชาติในตัวเราเราจะสุขก็เพราะธรรมชาติในตัวเราเราจะพ้นจากสุขและทุกข์ได้ก็เพราะธรรมชาติในตัวเราหาใช่คำภีร์เห็นไหมแต่ถามว่าอาจารย์ปฏิเสธคมภีไหมไม่ อาจารย์ไม่ปฏิเสธคัมภีร์เพราะจะเห็นว่าเวลาอาจารย์พูดเรื่องการปฏิบัติอาจารย์จะโยงเข้าสู่คัมภีร์ให้พวกเราเห็นเสมอว่ามันมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่พูดในคัมภีร์เนี่ยมันหมายถึงอาการอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ทําอย่างนี้มันจะตรงกับคัมภีร์อย่างนี้คัมภีร์ที่พูดมาอย่างนี้เพราะมันมีกระบวนการอย่างนี้ในความเป็นจริงคืออย่างนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายามยืนยันให้เห็นว่าเราช่าง มีบุญเหลือเกินที่มีมรดกอันล้ำค่าคือคำพีพระไตรปิฎกคำสอนแห่งพระศาสนาที่ตกทอดมาถึงเรา 2,600 ปียังอยู่ในมือเราเพื่อให้เราใช้ศึกษาจะได้น้อมโอปนัญิโกเข้ามาเพื่อเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเหมือนดังที่ผู้ชายคนหนึ่ง เมื่อสองพันหกร้อยปีที่แล้วได้ทามามนั่นแหละเราจึงจะสามารถเดินทางบนเส้นทางเดียวกับผู้ชายคนนั้นได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะจงมีศรัทธาที่มัน่นคงผ่านการเข้าถึงธรรมอย่าเอาศรัทธา ที่มีเพียงแต่ความเชื่อแล้วมันน่ากลัวมากไอ้ศรัทธาแบบนั้นศรัทธาแบบนั้นแบบที่มันมีแต่ความเชื่อแบบนั้นมันสามารถเบียดเบียนผู้อื่นได้ทำร้ายผู้อื่นได้ไม่ให้เกียรติผู้อื่นไม่เคารพในศักดิ์ศรีของเขาแต่เมื่อเดียวก็ตามที่เราเข้าใจตัวธรรมที่อยู่ที่กายที่ใจเราจริงๆ เราจะเข้ารบในภาวะพุท ธ, ธะของทุกๆคนที่มีอย่างเสมอภาคเขาอาจจะถูกปิดบังไว้ด้วยกรรมแม้นได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เขาก็ไม่ได้พบคำสอนอนลมเลิศนี้เราก็ต้องเข้าใจนั่นมันเป็นเพราะกรรมที่ให้ผลเขาและมันช่างเป็นบุญวาสนาของเราเหลือเกินที่เรา ให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้พบคำสอนอันล้ำเลิศนี้เหลือแต่เราที่จะเดินไปบนเส้นทางนั้นเพื่อให้เข้าถึงที่สุดในคำสอนนั้นได้จริงๆย้ำอีกครั้งพุทธศาสนาไม่ใช่ความเชื่อพุทธศาสนาไม่ใช่ปรชัชญาแต่ที่ผ่านมาห้าวันพวกเราสังเกตเห็นว่าอาจารย์พยายามพิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่ามันคือเครื่องมือ พุทธศาสนาคือเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการที่หันกลับมามองดูกายดูใจเราเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ได้จริงๆเพื่อเป็นอิสระภาพเพื่อเข้าสู่ความเป็นอิสระภาพได้อย่างแท้จริงมันเป็นเครื่องมือสู่ความเป็นอิสระภาพอย่างแท้จริงได้จริงๆนะหาวันนี้อาจารย์พยายามยืนยนันและพยายามทํากระบวนการต่างๆให้คุณเห็นเนะี่ยแล้วพี่สวยแล้วคุณเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ลับลึกลับซับซ้อนเลย เพราะมันยากตรงนี้แหละยากตรงนี้ทําให้คนเชื่อว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะคนมันมีแนวโน้มที่จะเชื่อเรื่องยากมันมีแนวโน้มที่เชื่ออัตตากิลมัานโยกมันมีแนวโน้มที่จะศรัทธาในความยากลําบากเพราะเราถูกสอนมาตลอดว่ามันจะทําอะไรให้ได้ดีมันต้องยาก องฟันฝ่าองประสักคนควายนิร น, นันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเพราะมันเป็นเรื่องที่จะทำให้คนยอมรับตรงเนี้ยเพราะเวลาสังเกตูอาจารย์ตั้งแต่เล็กจนโตมาพูดถึงเรื่องพพุทธศาสนาเมื่อไรปุ๊บ ถ้าว่าครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเมื่อไหร่นี่ชาวว่าจะต้องพูดเรื่องอิทธิปฏิหารเรื่องห่อเหินเดินอากาศเรื่องที่ท่านมีฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องน้นที่มันมันเหนือมนุษย์อ่ะใช่ไหมเหนือมนุษย์อ่ะมันเป็นสิ่งที่มันฝังหัวเราตลอดเลยจนเรามอ ง, องพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เป็นพระปฏิบัติดีิบัติชอความเป็นพระอาหารหันต์ความเป็นพ้นทุกข์ของท่านเนี่ยคือเรื่องแบบมหาศักริ์ เป็นเรื่องมหาศรจยนเป็นเรื่องลึ ก, กล้ำเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งหลายไม่อาจจะเข้าถึงได้อันนี้คือมุมมองที่ชาวบ้านพากันพูดพากันว่าแล้วก็ถือเชื่อถือกันอย่างนั้นมาโดยที่เอาเข้าจริงๆแล้วพอถ้าไปฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดเรื่องการการปฏิบัติเรื่องธรรมะท่านจะพูด ไม่ได้มีเรื่องมหาส า, ารย์พันลึกเลยแต่ชาวบ้านก็จะเป็นแบบนั้นพอวันหนึ่งเราเข้าสู่การปฏิบัติเราก็หลงไปบนเส้นทางนั้นเหมือนกันคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่แล้วพอเราพบกับกับผู้รู้ที่แท้หลวงพ่อคำเขียนสุบรรณโอ เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราจริงๆที่ทำให้เราเข้าใจจริงๆว่าการการเข้าถึงทำแห่งการพ้นทุกข์อะมันไม่ใช่เรื่องมหาัศาจรรย์ผันลึกพวกนั้นแต่มันคือกระบวนการที่เราหันกลับมาเห็ น, นกลไกการทางานที่มันเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราจนเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นอยู่อย่างนั้น อยู่ชั่วนาตาปีมันทำของมันนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจกับมันคนไกลตัวนี้มันก็ทำงานของมันแล้วมันทำอย่างตรงตรงซื่อซื่อใสใสอย่างที่อาจารย์ว่ามันมีอะไรมันก็สิ่งนั้นมาให้เ <c oughs> มื่อคืนได้พาไปเห็นสองยามคณะสองยามเห็นไหมพาพวกเราไปเห็นชัดไหม มันมีอะไรมันก็โยนมาให้โยนมาให้งี้ยนะเขาพูดถึงไอ้นี่ปุ๊บเราก็มีภาพเศษเสี้ยวของอะไรไม่รู้เอาใสยเข้ามามันก็ปรุงมาแล้วเราสังเกตเห็นไหมล่ะเราก็แสดงอาการนี้เกิดทุกเกิดทุกเกิดความพอใจความไม่พอใจไม่ใช่จากเสียงที่กระทบนั้นแต่จากภาพที่เราสร้างขึ้นในใจเรานี่ต่างนี่คือนามรูปที่ปรากฏขึ้นจริงๆใช่ไหมเพราะนี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายามยืนยันให้คุณเห็นว่า ตัวการเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์นั้นมันไม่ต้องไปเรียนรู้ให้มากเกินไปเรียนเท่าที่อาจารย์พาเรียนเนี่ยแล้วทําให้มันได้เห็นอย่างที่อาจารย์พาทำเนี่ยรับรองเลยแค่นี้พอแหละแล้วคุณจะเข้าใจว่าอ๋อการต่อจิกซอทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะสามารถเข้าถึงนั้นได้ตามที่พระเจ้าทรงต้องการ ทิ้งเป็นมรดกไว้ให้เราเป็นทายาทรับมรดกธรรมเหล่านั้นเนาะก็ขออนุโมทานากระทุทุกท่าน